เป็นที่พึ่งพมนักของใจในวิธีนี้ใช้สติเริ่มต้นให้แล้วพอรู้สึกว่าเข้าที่หรืออย่างที่ใช้คำพูดแบบชาวบ้านว่าเข้าท่าเข้าทางฉันท่าก็จะมาตามธรรมชาติเองการฝึกสมาธิด้วยอาศัยสติเป็นหลักแยกได้เป็นสองวิธีใหญ่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 ตามวิธีฝึกแบบนี้สมาธิไม่ใช่ตัวเน้นแต่พลอยได้รับการฝึกไปด้วยปลอยเจริญไปด้วยเองพร้อมกับที่พลอยช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยการฝึกแบบนี้ได้แก่วิธีการส่วนใหญ่ของสติปัฏฐานซึ่งได้แสดงหลักการทั่วไปไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยสัมมาสติข้างต้นแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเจริญสมาธิ